พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3ปสาระสูตรที่เกพระหุเวทนียสูตรสูตรว่าด้วยเวทนามากอย่างพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามช่างหมายชื่อปัญจังคะกับระอุทายีกล่าวไม่ตรงกันในข้อว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้กี่อย่าง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 ผู้มีพระภาคตรัสว่ามีปริยายที่ต่างฝ่ายต่างไม่อนุโมทนาแล้วตรัสว่าเวทนาสองก็ส่งแสดงไว้โดยปริยายเวทนาสามเวทนาสี่เวทนาห้าเวทนาหกเวทนาส8ปเวทนา36เวทนาหนึ่งก็ส่งแสดงไว้โดยปริยาย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 เป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำท่าที่เข้ากันได้มองกันและกันด้วยดวงตาที่แสดงความรักครั้นแล้วตรัสถึงความสุขที่เป็นขั้นๆสิบอย่างที่ประนีตขึ้นไปกว่ากันโดยลำดับเริ่มแต่การมาคุณห้าจนถึงสัญญาเวทะยิตะนิโรธคือสมบัติที่ดับสัญญาและเวทนา